ถูกพระทักว่าจะเสียอวัยวะควรทำอย่างไรบทความโดยดังตรินจัดทำโดยครอบครัวสีเหรันผมเพิ่งโดนขโมยของมีค่าไปร่วมสองแสนระหว่างเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดมีคนแนะนำให้สดอกเคราะห์ผมก็ไปที่วัดหนึ่งซึ่งมีพระกํำลังประกอบพิธีสระเคราะห์ที่แรกรู้สึกร้อนวูบวาบ แต่ก็แปลกใจที่เมื่อญาติโยมลุกไปหมดแล้วท่านชี้ตัวผมว่าให้อยู่ก่อนและบอกถูกหมดเกี่ยวกับอดีต ท, ที่ผ่านมารวมทั้งระบุว่าราหูกำลังครอบแขนครอบขาแล้วเร็วนี้อาจต้องเสียอวัยวะผมกลัวมากกระวนกระวายร้อนใจคำแนะนำของท่านคือให้บวชสักเจวันหรือสิห้าวันแต่ใจผมไม่พร้อมเลยอยากทราบว่าพระท่านรู้จริงหรือไม่ ท่านไม่ไดเรียกร้องเงินทองหรือแม้แต่จะให้ไปบวชกับท่านนะครับถ้าตัดสินจากพฤติกรรมของพระก็ต้องบอกว่าท่านหวังดีกับคุณนะครับในส่วนของคุณเองถ้าเกรงจะถูกหลอกก็ไม่จําเป็นต้องกลับไปหาท่านอีกเพราะได้รับคาแนะนำสำเร็จรูปมาเสร็จสับหมดแล้วคือให้ไปบวชแก้เคราะห์เสีย ตามหลักของพุทธเราวิธีสะเดาะเคราะห์ที่ดีที่สุดหรืออีกนัยยะหนึ่งวิธีโยกย้ายเงาราหูออกไปจากหลังของเราก็คือทำจิตให้เย็นมีสติให้มากอาศัยเหตุการณ์ที่เราเพิ่งเผชิญมานั่นแหละเป็นบทฝึกยิ่งเราร้อนกระวนกระวายมากเพียงใดเมื่อสามารถระ ง, งับเสียได้ก็จะรู้ซึ้งถึงคุณค่าความเย็นมากขึ้นเพียงนั้นเมื่อใดใจเย็น เมื่อนั้นแปลว่าราหูหายไปจากใจแม้ราหูจะยังครอบหัวครอบตัวครอบแขนครอบขาก็จะไม่อาจครอบใจเราได้ต่อให้ต้องตายไปเดี๋วนั้นคุณก็จะได้ดีกว่าที่เป็นได้เย็นกว่าที่เคยเพราะดับความกระวนกระวายในภพเก่าลงสนิทแล้วกรณีของคุณเริ่มมาจากการโดนโจรกรรมของมีค่า ใจเร่าร้อนเพราะเสียดายใจเคียดแค้นเพราะไม่อาจเอาคืนคุณใช้เป็นบทฝึกให้อภัยได้ไหมถ้าให้ได้คุณจะรู้จักความสงบที่ลึกซึ้งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเงินสองแสนมีอำนาจกระทำจิตของคุณให้มืดหรือสว่างหายไปสองแสนหรือได้ทำทานสองแสนนั่นเป็นสิ่งที่ใจคุณเลือกได้ ถ้ารู้จักทาทานสองแสนสักครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อๆไปจะรู้ว่าต้องจัดการกับจิตใจของตัวเองอย่างไรเมื่อสูญเสียน้อยกว่านั้นหรืออาจจะมากยิ่งกว่านั้นคุณอาจได้ชื่อว่าใช้เงินสองแสนซื้อระดับชีวิตใหม่ที่เป็นสุขได้แม้ในสถานการณ์ที่ต้องเป็นทุกข์วันหนึ่งคุณอาจมองย้อนกลับมาแล้วเห็นว่าแท้จริงปีนี้เป็นปีทองแห่งกองบุญ รายคนหนึ่งได้สองแสนบาทไปเป็นโทษส่วนตัวคุณเองเสียสองแสนบาทเพื่อเป็นประโยชน์ในระยะยาวคุณจะเป็นไม่กี่คนในโลกที่รู้จักกับความสุขแปลกใหม่มีแก่ใจคิดออกมาได้ว่าจงเอาสองแสนไปใช้ให้เป็นสุขเถิดลองดูไม่ว่าถ้าคิดได้ขนาดนี้จะรู้สึกอย่างไรเน้นไหนซับก็สูญไปอย่างยากจะตามกลับแล้ว ลองได้อะไรวิเศษวิเศษทางใจกลับคืนมาบ้างอย่างน้อยคงดีกว่าอุ้มทุกข์เป็นของแถมแน่นอนคิดได้แล้วถามเพื่อนเพื่อนดูว่าหน้าตาคุณเหมือนคนเพิ่งโดนเชิดสองแสนหรือเหมือนคนเพิ่งได้ทำบุญสองแสนหากยังฝังใจเครียดแค้นคุณอาจได้ชื่อว่าเลี้ยงความกลัวเอาไว้ถ้าอดไม่ได้ก็อาจใช้ความกลัวนั่นเอง เป็นบทฝึกพิจารณาความไม่เที่ยงในชีวิตก็ในเมื่อชีวิตที่เคยปรากฏเป็นของแน่นอนกลับกลายเป็นของไม่แน่นอนชีวิตที่นึกว่าอยู่ในมือกลับกลายเป็นชีวิตที่ฝากไว้กับสตาอย่างไรไม่อาจรู้ได้พิจารณาความเสียดายดูเข้าไปตรงๆคุณจะเห็นว่าเดี๋ยวใจก็ยึดมากบ้าง เดี๋ยวใจก็ยึดน้อยลงบ้างก็แค่ความแน่นอนทางใจยังไม่มีและคุณจะมีสมบัติใดอยู่จริงสิ่งที่คุณมีจริงก็แค่เรื่องไม่นายึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองหากเห็นตามนี้ได้คุณจะมีสติและความตื่นรู้ยังไม่เคยเป็นมาก่อนสอกเคลาะงตามวิถีพุทธนั้นถ้ารู้จักวิธีจริงๆ จะบวชหรือไม่บวชก็ได้ครับพ้าเหลืองอาจช่วยให้คุณอภัยและตื่นรู้ได้ง่ายขึ้นหากบวชที่วัดดีและอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ตรงทางในส่วนของการตอบแทนคุณแม้จะไม่ไว้ใจพระที่ให้คําแนะนําอย่างไรผมก็คิดว่าคุณควรไปใส่บาตรถวายสังฆทานกับท่านบ้างก็ดีและขอถือโอกาสบอกไว้กว้างๆเลย ว่าการทำบุญสะดเดาะเคราะนั้นแต่ละคนนิคคำแนะนำไม่เหมือนกันหากคุณได้รับคำแนะนำประเภทเรียกร้องทรัพเข้าตัวผู้แนะนำก็ขอให้ระมัดระวังดีๆเพราะไม่มีคนขี้โลภที่ไหนมีคุณวิเศษพอจะแก้เคราะให้คนอื่นตามวิถีพุทธหรอกครับ